ธรธรมสากัะฉาตามการเคล็ดล <rene> ับภูมิจิตภูมิธรรมเทศนาอบรรมพระตอนหนึ่งของหลวงตากล่าวว่าในหนังสือที่มีอยู่ในธรรมบทที่กล่าวว่า กัลยาณชนไม่สามารถตอบปัญหาของพระโสดาบันได้พระโสดาบันไม่สามารถตอบปัญหาของพระสกิทาคามีได้พระสกิทาคามีไม่สามารถตอบปัญหาของพระอนาคามีได้พระอนาคามีไม่สามารถตอบปัญหาของพระอรหันต์ได้ แม้พระอรหันต์ก็ไม่สามารถตอบปัญหาของพระโมคคัลลาพระสารีบุตรได้ถึงพระสารีบุตรโมคคัลลาก็ไม่สามารถตอบปัญหาของพระพุทธเจ้าได้คือความสามารถต่างกันพอถึงขั้นอรหันต์ก็พอแล้วส่วนที่ว่าพระสารีบุตรพระโมคคัลลา ไม่สามารถตอบปัญหาพระพุทธเจ้าได้นั้นหมายถึงความกว้างแคบลึกตื้นแห่งความรู้นั้นต่างกันนอกจากความบริสุทธิ์ไปแล้วยังมีความลึกตื้นต่างกันกว้างแคบต่างกันภูมิของพระพุทธเจ้าเป็นพุทธวิสัยภูมิของพระสารีบุตรโมคคลาเป็นสาวะวิสัย จึงต่างกันสามัญวิสัยกับอริยวิสัยก็ผิดกันแต่ละขั้นละภูมิมีเคล็ดลับประจําขั้นภูมินั้นภูมินั้นถามเคล็ดปั๊บก็ติดดังพระเรียนจบพระไตรปิฎกครั้งพุทธกาลแต่ลืมเนื้อลืมตัวดูถูกเยียดยามพระปฏิบัติหาว่านั่งหลับหูหลับตาไม่ทําประโยชน์อะไร ให้แก่โลกเลยจะเอาปัญหามาถามพระปฏิบัติท่านพระพุทธเจ้าทรงทราบจึงเสด็จมาถามกลางสง์ที่กำลังสันนิบาตนั้นว่าพวกนี้กำลังจะมาทำลายลูกศิษย์เราตถาคตแล้วมันจะไปตกนรกกันทั้งนั้นท่านไม่ได้กลัวพระปฏิบัติจะเสีย เสด็จถึงพระองค์ทรงตั้งปัญหาขึ้นปับ๊บถามใส่พวกเบลานเปล่าตอบไม่ได้รับสั่งถามพระปฏิบัติปับ๊บตอบได้ผงยกปัญหาขึ้นปับ๊บถามพวกนั้นนิ่งเหมือนคนตายแล้วตอบไม่ได้วกกลับมาถามพระปฏิบัติตอบได้ปุ๊บปุตลอดจากนั้นพระพุทธเจ้า ก็แสดงทาขนาบเสียอย่างเต็มที่ว่าพวกเธอนั้นนะ่ะเหมือนกับลูกจ้างเลี้ยงโขให้เขาได้ค่าจ้างเพียงหลายวัน ยังไม่เคยได้ดื่มบ้างเลยส่วนลูกเราตถาคตทั้งได้ปฏิบัติทั้งได้ดื่มธรรมรสโดยสมบูรณ์จึงไม่ควรประมาทปัญหาที่พระพุทธเจ้าทรงรับสั่งถามเป็นปัญหาทางด้านจิตพอมาถามผู้ปฏิบัติตอบได้ผึ่งผึงเลย